สำหรับการออกกำลังกายช่วงเช้าอยากให้ทุกคนได้ทำอยากจะให้ฝึกเพราะว่าอมาเองเพิ่งมีสุขภาพดีตอนที่อายุเข้าห6สบนี้เองแต่ก่อนหน้านั้นก็ยังไม่แน่นอนทดสอบทดลองมาเรื่อยๆหลายสิบปีแต่มาปีนี้ลงตัวทำท่าจะหนุ่มขึ้นเรื่อยๆแหลเท่า น, นี้นะเชื่อไหม <laughs> ทำท่าจะถึงสองรอยอยู่ <c oughs> คือเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่การแก่ช้าเจ็บช้าตายช้าไม่ธรรมดาการไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ยิ่งไม่ธรรมดาะังนั้นทําไมเราต้องเดินธรรมดาที่มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะไม่เจ็บหรือเจ็บน้อยที่สุดได้ไหม <c oughs> เจ็บแต่กายได้ไหมไม่ให้เจ็บใจเจ็บแต่กายที่เป็นเวทนาได้ไหมไม่ได้เจ็บแต่กายที่เป็นโรคอะ่ะ มันมีทางเลือกเยอะแยะเลยนะแต่ว่าคุณต้องปรับโครงสร้างชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงนิสัยการกินเปลี่ยนแปลงนิสัยโครงสร้างทางอาหารเปลี่ยนแปลงนิสัยโครงสร้างการปรับทาตทีเอามานึกถึงผู้สูงอายุอีกคนหนึ่งของอาลีชุนยุงเลยเเนะี่ยหลายคนคงได้เคยได้ยินเนาะลีชุนยุงเป็นคนจีน อายุ256ปีนะ256ปีมีภรรยา24คนเปคนจีนนะอายุ150คนยังเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยอยู่เลยนะที่จีนนะมาเลยตัดภาพเอาไว้และประวัติรายละเอียดการทำงานต่างๆนะได้รับรางวัลจากรัฐบาลจีนเมื่ออายุ200ปีเนะมื่ออายุมาถึง 256ปีคนหมดอายุไข่ันเป็นไปได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโครงสร้างในการดูแลตัวเองคงไม่ไม่ใช่เหมือนคนธรรมดาจะต้องมีพุทธิยาเขาตัดเอาไว้ใครต้องการที่อายุยืนแบบเป็นกับเป็นกันได้แต่จะต้องมีอิธิบาทสีในระดับที่ชำนานท่านใช้คำว่าสันทาพิสังขาร วิทยาพิสังขารจิตตาพิสังขารวิมังสาพิสังขารฉันทะวิยะจิตตาวิมังสานะีฉันทะมีความอพอใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแบบยาวๆมีความรักความพอใจอันที่สองมีการขวนขวายที่จ ะ, ะทําตามข้อที่หนึ่งเนี่ยมีวิธีอย่างไรบ้างขอนขวายเพียนที่จะทําในเรื่องนั้น ตั้งวางแผนไว้ก่อนวะะอ่าเถอะไม่ใช่อยู่แบบไปแบบฟุกๆุกไม่ใช่เงี้ยนะยังไงก็ได้มีการวางแผนก่อนอันที่สมใช้ความคิดวิจารณญาณและสติปัญญาว่าอะไรบ้างศึกษาโครงสร้างของธาตุสี่ขันหที่มันจะยั่งยืนน่ทำอย่างไรศึกษาหาวิธีไม่ว่าเรื่องของศาสตร์ต่างๆเอามารวมกัน แล้วก็อันที่สี่วิมังสาพิสังขารก็คื อ, อเลือกทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสาระเรื่องไหนไม่เป็นประโยชน์ไม่ไม่เป็นสาระจะไม่เสียเวลาทําในเรื่องนั้นไม่ว่าการอยู่การกินทุกอย่างะนะในการกินก็จะไม่กินตามใจลนะเพราะฉะนั้นเองก็ในการดูแลร่างกายการอบรมกายเป็นส่วนหนึ่งเป็นการรักษาธรรมในฝ่ายที่เป็นรูปธรรม เพราะเราลร่างกายนี้เราได้มายากเย็นแสนเข็นเหลือเกินเราได้ผ่านบรรพบุุษมาหลายร้อยหลายพันรุ่น <c oughs> แล้วก็เราก็เวียนว่ายใจเกิดไปเป็นสารพัดอย่างในทุกขติภูมิในอบายภูมินรกเปรตอสุรกายมานับครั้งไม่ถ้วนและไ ป, เ, ปเกิดในสุขติภูมิเป็นเทวดาอินพรมโยมราชมาก็นับครั้งไม่ไม่ท่วนเหมือนกัน แต่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะมันสามารถที่จะแสวงหาวิธีการออกจากภพภูมิแสวงหาวิธีการออกจากการเวียนว่ายใจเกิดได้แต่ไปเกิดในภพภูมิทั้งอบายภูมิทั้งสุขติภูมิมันออกไม่ได้พวกสุขติภูมิก็ไปติดสุขออกมาไม่ได้หมดปัจจัยของความสุขก็ไปเกิดทุกติภูมิในอบาย ก็เวียนไปเวียนมาอย่างนี้จนกระทั่งมาตกโป๊้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าถึงบัญญัติข้อหนึ่งว่ากิจโฉมนุษย์สะปฏิภาลาโปการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ยากเกิดมาแล้วจะได้มีชีวิตที่ดีตลอดก็เป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ยากจะเกิดมาแล้วจะเล่าฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทําให้ไม่กาไม่ทุกข์กายไม่ทุกข์ใจพ้นทุกข์ได้ก็ยาก และการเข้าถึงสภาวะธรรมันสูงสุดที่จะไม่ต้องเวียนว่ายใจเกิดอีกก็ยากที่สุดเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนามีเรื่องยากอยู่แค่4เรื่องคค่นี้ 1. การเกิดเป็นมนุษย์ 2. เกิดมาแล้วที่จะใช้ชีวิตที่ดีที่สุดตลอดชีวิตเนี่ยยากที่สุด 3. ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะนำไปสู่การพ้นทุกยากที่สุด 4. การเข้าถึงสภาวะการดับทุกโดยไม่เวียนว่ายใจเกิดอีกยากที่สุด ในสีเรื่องนี้นะแต่อย่างน้อยเราก็ได้มาหนึ่งละคือเกิดมาเป็นมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์นี่เราก็จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพของฉีดอีกมากมายวันหนึ่งไม่รู้เราได้เกิดภพอะไรบ้างภพที่เป็นอบับายภูมิแล้วก็ไปเกิดในประจำวันภ <c oughs> พที่เกิดในสุขติภูมิแล้วก็เกิดในประจำวันพอวันหนึ่งจิตของเราสวิงไปทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิด ตลอดเวลาที่จะมาอยู่ตรงกลางเฉยๆซื่อๆโดยที่ไม่ต้องไปคิดในเรื่องดีเรื่องชั่วเนี่ยมันมีไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติวิปัสนาต้องการมาดํารงจิตอยู่จุดนี้จุดที่จิตของเราจะไม่ต้องไปคิดทั้งดีทั้งชั่วแต่รู้ทั้งดีทั้งชั่ ว, แ ต, วแต่ไม่เข้าไปแต่ใช้ดีใช้ชั่วเป็นแต่ไม่เข้าไปนะไม่ใช่ไม่รับรู้รู้อย่างดีแล้วอันนี้มันดีอันนี้มันชั่แล้วไม่เข้าไปในสิ่งที่ ดีได้ด้วยไม่ยึดนีได้ด้วยแล้วก็ไม่ทําทชั่วได้ด้วยแต่รู้จักใช้ดีใช้ชั่วให้เป็นประโยชน์ที่จะรักษาตนให้อยู่ในท่ามกลางแต่พอดีนะในชั้นว่ามัชชิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าค้นพบอันนั้นในภาคปฏิบัติเราก็ต้องมาปรับที่จิตก่อนนะมาปรับที่จิตเมื่อจิตพอดีแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปปรับร่างกายให้พอดีมันไม่ยากเพราะร่างกายเป็นรูปธรรม แต่จิตข้งเรานี่ยเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นท่านต้องปรับพิจตัวถ้าจะถามว่าระหว่างกายกับจิตใครเป็นผู้สร้างใครจิตสร้างกายหรือกายสร้างจิตกายสร้างจิตหรือจิตสร้างกายจิตสร้างกายเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะจัดการเรื่องกายนี้อย่างไรก็ได้ใช่ไหมแต่ทําไมเราไม่จัดการ ถ้าเราจัดการได้ทําไมไม่จัดการไม่ให้เป็นลูกแพ้แค่เจ็บไม่ให้จัดทำไมไม่จัดการไม่ให้มันทําชั่วทําไมไม่จัดการมันไม่ได้เนื่องมาจาจิตสร้างกายเราหาคนที่สร้างจิตเจอไหมใครเป็นผู้สร้างจิตเรารู้ว่าจิตสร้างกายแต่ใครเป็นผู้สร้างจิตถ้าเราคนพบตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จัดการแก่จิตได้จิตก็จัดการแก่กายได้แต่นี้เรารู้ว่ากายสร้างจิตแต่ใครเราเป็นผู้สร้างจิตใครเป็นผู้จัดการจิตเราที่มาทําเนี่ยเรากําลังมาสร้างผู้จัดการจิตนะ มาสร้างเมนเทอร์เมนเจอร์นะเพราะฉะนั้นเรามาสร้างผู้จัดการจิตคือมาสร้างตัวโลกุตตะปัญญาโลกุตตะปัญญาเป็นผู้สร้างจิตเป็นผู้ดูแลจิตอีกทีหนึงถามว่าทุกคนมีโลกุตตะปัญญามาก่อนไหมมีทิพพุทธิยาติรัดว่าปภัสระมิทังจิตตังอาคันตุเกเสหิอุปกริถังว่าจิตนี้เดิมแท้นั้นเป็นจิตที่สะอาดผ่องใส แต่เมื่อมีอาการดุกะคือความคิดที่เป็นกิเลสฝ่ายดีบ้างฝ่ายชั่วบ้างจรเข้ามาจิตนี้จึงถูกบทบังให้เศร้าหมองแต่จิตไม่ได้เศร้าหมองนะแต่ว่าสิ่งที่บทบังเหมือนกับผ้าอาทิตย์เนี่ยมันมีมาลูกกีล้านปีล้แต่บางวันผ้าอาทิตย์มันก็แจม่มใสแดดจ้าบางวันก็คลึ้มทั้งวันทั้งอาทิตย์ก็มีผ้อาอาทิตย์ไม่ได้หายไปไหนนะแต่อยู่หลังฉากนั่นเอง ทีนี้บางวันเราอารมณ์ดีบางวันอารมณ์เสียบางวันอารมณ์เศร้าบางวันอารมณ์ทุกข์ถามว่าจิตเติมแท้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนอยู่ใหนนั่นแหละแต่ว่าตัวอารมณ์ไปบังมันเพราะนั้นอารมณ์ต่างๆนี่เปิดเสมือนเมฆหมอกเรียกว่าอาขันตุกะกิเลสที่มันเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยเดี๋ยวเมฆใสมาเดี๋ยวเมฆดํามาเดี๋ยวเมฆขาวมาเดี๋ยวเมฆขุ่นมาสลับกันไปสลับกันมาเดี๋ยวเมฆ้ําเมฆบางก็ล้วนแต่เป็นตัวบดบัง แสงพระาทิตได้ทั้งนั้นดังนั้นเองเราที่มาปฏิบัติเนี่ยเราจะทำอะไรที่จะมารู้จักวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เมฆหมอกของความคิดและอารมณ์ทั้งดีทั้งไม่ดีเนี่ยมาบดบังจิตได้แต่โดยธรรมชาติทำไม่ได้ทั้งนอกเนี่ยแต่โดยสภาวะที่เป็นปรามาสติเนี่ยทำได้พระพุทธเจ้าท่านทำเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างมาให้เราแล้ว เราก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์นี้เท่านั้นพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ผ่านม า, นาองค์ละห้าพันปีบ้างหมื่นปีบ้างแสนปีบ้างสลับกันมาเกิดเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทีนี้เราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้วิธีแหละ ว, ว่าพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสอนอะไรแลพระพุทธเจ้าคำสอนพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันด้วยนะรู้จักเรื่องอริยสัจสีเหมือนกันเรื่องห้าสี่ขันห้าเรื่องอายตนะสิบสองเรื่องปฏิทินสุบัติ เรื่องอริยสี่เหมือนกันทุกพระองค์ไม่ไม่ได้ต่างกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาเรียนรู้ก็คือความรู้ที่พระองค์ตรัสรู้อันแรกที่สุดที่เราชาวพุทธทุกคนจําได้คืออะไรคําสอนหลักๆของของพระพุทธเจ้าอันที่หนึ่งทุกทุกวันมาค้าบูชาเราจะได้ยินพระเทศใช่ไหมโอวาทกี่ประการสามประการอันที่หนึ่งคือ หไม่ทําบาปทั้งปวงสองทำแต่สิ่งที่ ด, ดีสามชําระทั้งดีทั้งชั่วออกไปด้วยแต่เรื่องของการไม่ทําชั่วเราก็รู้ดีเรื่องของการทําดีเราก็รู้มากแต่ว่าเรื่องของการชําระจิตให้หายจากดีจากชั่วเนี่ยเรากำลังมาทําข้อ น, นี้ในถามว่าในสิ่งที่ดีไม่ดีเนี่ยมันมาด้วยกัน หรือมันมาคนละข่าวสิ่งที่ดีไม่ทาําปบาปกระบุญนนะ่ะบาปดีกับชั่วหรือบาปกระบุญไม่ทําบาปทั้งปวงทําแต่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าดีและชั่วหรือบาปกระบุญเนนะี่ยมันมาด้วยกันหรือมาคนละคราวแสงพระอาทิตย์กับเงาเนี่ยมันมาคนละครั้งหรือมาม า, มาครั้งมาคราวเดียวกันอ่าคราวเดียวกันเมื่อมีแสงแล้วจะปฏิเสธ เ, เ ง, งาได้ไหมไม่ได้เมื่อมีดีแล้วจะปฏิชั่วได้ไหม ไม่ได้แต่เป็นหน้าที่ของเราที่จะเลือกใช้แสงหรือใช้เงาเราจะใช้เลือกใช้ความมืดหรือเลือกใช้แสงสว่างมันมามันเป็นธรรมชาติของมันสมมุติว่าเราเปรียบภาพสองภาพระหว่างการเกิดกับการดับถ้าเปรียบเทียบว่าดีกับชั่วเนี่ยตัวไหนเป็นเกิดตัวไหนเป็นดับระหว่างดีกับชั่วเนี่ยถ้าสมมติได้เป็นรูปธรรมเนี่ยตัวไหนเป็นเกิดตัวไหนเป็นดับชั่วอาจจะเป็นเกิด หรือเป็นดับก็ได้ดีอาจจะเป็นเกิดหรือเป็นดับก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเงินเราได้เงินมาหนึ่งแสบาทเนี่ยเป็นเ ร, เ, ร เ, รเรื่องเกิดเรื่องเรื่องดับเรื่องเกิดถ้าเงินหายไปหนึ่ง0สนบาทเป็นเรื่องเกิ ha, ดหรือเรื่องดับเพราะฉะนั้นดับมันจะดีไม่ได้บางทีดับแบบนี้เราก็ไม่ช belle, บ <laughs> อบเหมือนกันอะไรสุขภาพมาดีเป็นเรื่องเกิดหรือ <laughs> เรื่องดับเรื่องเกิดถ้าสุขภาพไม่ดีเป็นเรื่องเกิดหรือเรื่องดับอ่าอย่างนี้เรียกว่าดับดีไม่ได้ือแต่ว่าความร้อนมันเกิด ความร้อนมันดับไปเอออย่างนี้ความดับดีใช่ไหม อ, อันนี้ขึ้นอยู่ว่าเราต้องการแบบไหนเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องมาดูว่าตัวบาปเดี๋ยวไม่ทําบาปทั้งปวงเนี่ยคันว่าในสิ่งที่ไม่ดอีอะไรบ้างในสิ่งที่ไม่ดีเรานั่งเนี่ยรู้สึกไม่สบายที่ตะโพกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไหมเราจะบัญญัติมาเป็นเรื่องชั่วได้ไหมก็ในตระกูลเดียวกันนะใช่ไหมอ่าพอนั่งไปนานๆสักพักหนึ่งมือนเริ่มเป็นไง ง่วงความง่วงเป็นบาปหรือเป็นบุญอแล้วทําไมทำบาปล่ะเนีย <laughs> มันมาด้วยกันะมาด้วยกันถ้าคุณจะคิดว่าจะทําบุญได้ทันทีไหมเพียง <c oughs> แต่คุณขยับนิดหน่อยใช่ไหมบาปก็หายไปเพราะนั้นบาปบุญทางกายเนี่ยมันแก้ไขง่ายแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ปรับมันก็จะแก้เป็นปัจจัยให้เกิดบาปและบุญทางจิต ด, ด้วย แต่เราเอามาใช้ภาษาธรรมดาเลยอย่ให้นั่งอยให้หนักนานเกินไปนะไอ้ความหนักนี่มาล้นจากกายไปสู่จิตนะเราก็ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช่ไหมเราไม่ใช่คําว่าบาป บ, บาปุลบาปุญมันก็ไปทางกายด้วยทางจิตด้วยเวลาเริ่มจะง่วงคุณจัดการเอาความง่วงออกก่อนนะความง่วงมาจากอะไร ต, ต้นตอของความง่วงมาจากอะไร มาจากความเพลินเพลินมีกี่ระดับหนึ่งสองสามสี่เก้าิแต่เพลินที่จะระดับไปสู่ระดับที่ไปสู่ความง่วงเนี่ยมันต้องไปถึงระดับที่สิบแต่ระดับที่หนึ่งถึงที่ห้าถึงที่แปดที่เก้าเนี่ยคุณทําอะไรอยู่เออตรงนั้นนั่นที่จะไปไม่ทําบาปทัองปรงเราต้องเห็นต้นตอของบาปก่อนว่ามันเริ่มอย่างไรใช่ไหมระดับไปห้ามันได้ไหมนั่งปั๊บจะให้มันไม่เกิดความสบายไม่ให้เกิดความเพลินห้า ม, ไ, ไ, มไม่ได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของการเกิดดับ เรานั่งไปแล้วจะให้มันไม่หนักไม่หน่วงไม่ทวงไม่ทับเนี่ได้ไม่ไ ด, ไมได้มันต้องเกิดอันนี้คือเป็นวิบากกรรมที่เราต้องได้เวียนว่ายแต่เกิดมาพบกับมันดังนั้นพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจึงไม่ปรารถนาจากการเกิดเพราะจะต้องไม่ไม่ต้องมาสวยวิบาก อ, อันนี้อีกก็รู้ว่าบาปกรรมมีอยู่แล้วเกิดมาสวยมันทาไมอ่ะใช่ไหมก็ ออกมันไปเสียแต่เรายังมีวิบากกรรมที่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดพราะเรายังจัดการตรงนี้ยังไม่ได้ท่านนั้นเองถ้าเมื่อใดเราจัดการตรงที่ว่าบาปบุญจากกายได้มันก็จะไม่ต้องไปสวยตัวบาปบุญทางจิตแะจะตัวบาปบุญทางจิตเราขาจัดได้มันก็ไม่ต้องนําพาเราไปเวียนว่ายแต่เกิดอีกมันก็จบแค่นั้นนะเพราะนั้นมีสามเรื่องใหญ่ๆหนึ่งไม่ทําบาปสองทำเลยสิ่งที่ดีสามชำระทั้งดีทั้งชั่วออกไป แก้วน้ํานี้สามารถเอาไปใช้น้ําสะอาดก็ได้ใช่ไหมเอาไปใส่ยาก็ได้แล้วเอไปใส่ ย, ยาพิษก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณจะใช้แก้วใบเนี้ยถ้ามันคามันข้องมันใส่สิ่งแล่านั้นอยู่จะใช้ได้ไหมในที่สุดต้องเอาออกทั้งยาบำรุงยาพิษหรือยารักษาเอาออกทั้งอาหารและสิ่งสกปรกแต่แก้วนี้ใช้ใส่สิ่งที่ <c oughs> ทั้งแสะสะอาดและสกปรกได้ แต่คุณต้องล้างมันจิตนี้สามารถคิดได้ทั้งดีและไม่ดีได้คิดทั้งบุญทั้งบาปได้แต่เมื่อคุณคิดแล้วคุณใช้มันแล้วไม่เอาออกไม่ล้างอะไรเกิดขึ้นก็ใช้ไม่ได้ท่านเองเห็นไหมจิตนี้แก้วนี้ก็เหมือนจิตจิตนี้ก็เหมือนแก้วนี้แต่ว่าแก้วนี้มันเปื้อนด้วยสิ่งดีไม่ดีการที่ ช, ชาระออกเป็นเรื่องเป็นไงปกติใช่ไหมอ่า แต่ถ้าหากว่าจิตนี้มันคิดได้ทั้งดีและไม่ดีทั้งบุญทั้งบาปทั้งเรื่องชั่วเรื่องดีแล้วจะมีวิธีการชําระได้ง่ายๆได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นอะไรเป็นนามธรรมตัวนี้เป็นรูปธรรมการที่เราจะกําจัดในสิ่งที่เป็นนามธรรมที่ไม่ต้องการได้เราต้องฝึกฝนจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะนั้นเรามาฝึกกายก่อนไง ฝึกกายให้รู้หนักรู้เบารู้เข้ารู้ออกรู้สบายรู้ไม่สบายให้จัดการฝึกจัดการตรงนี้ก่อนเพราะนั้นในสถนิติฐานท่านจึงเริ่มต้นด้วยกายานุปัสนามาฝึกหนึ่งเรื่องหายใจเข้าหายใจออกเป็นไงถ้าหายใจเข้าออกปกติสบายเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นบุญถ้าหายใจเข้าออกไม่สะดวกไม่สบายก็เป็นบาปเช่นเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้เป็น ใส่นัดเป็นหอบหือดอย่างเงี้ยไม่สบายแล้วใช่ไหมแล้วเมื่อกายไม่สบายด้วยโรคเหล่านี้จิตสบายด้วยไหมเมืม่อกายเป็นบาปจิตก็เป็นบาปเมื่อกายไม่สบายจิตก็ไม่สบายนี่เขาเรียกว่าสิ่งที่มาบดบังจิตให้เศร้าหมองเพราะเรามีสิ่งบาปเหล่านี้อยู่ดังนั้นเราจึงมาเจริญตัวโลกุตระปัญญาที่ได้กล่าวเมื่อกี้ว่า โลกุตระจิตและโลกุตระปัญญานั้นเป็นตัวจัดการจิตได้ถามว่าตัวโลกุตระจิตและโลกุตระปัญญาต้องได้สร้างขึ้นให ม, ม่ไหมมันมีอยู่แล้วไม่ต้องสร้างเพียงแต่เรามาเปิดโอกาสให้มันได้ทำงานแต่ที่แล้วมามีแล้วแต่ทำไมเราใช้ไม่ได้ถามว่าพระอาทิตย์มีอยู่แล้วทำไมเราจึงไม่เอาแสงอาทิตย์ไม่ได้ตามต้องการมาใช้ได้ตามต้องการก็เพราะมีอะไรบังอยู่ใช่ไหม สิ่งที่เป็นเมฆเมฆเป็นหมอกเป็นหมอกเป็นค น, นทั้งหลายเนี่ยนะฉะนั้นเองก็เราจึงต้องมาศึกษาเรื่องวิปัสนาเพื่อที่จะหาวิธีว่าเอาอะไรมาชําระแก้วนี้ให้มันสะอาดได้ว่างนะแก้วนี้คือจิตคือรูปคือนามแต่การที่จะชําระจิตนี้ให้สารได้ต้องมีเครื่องมือนั่นก็คือ สร้างตัวรู้สึกตัวอันเป็นวิธีการที่จะเพิ่มกำลังให้กับแสงพระอาทิตย์ถ้าแสงพระอาทิตย์เพื่อจะเพิ่มกำลังในการจัดการเอาเมฆหมอกให้มันผ่านได้โดยง่ายเท่านเองอันนั้นคือรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวแล้วก็ความรู้สึกตัวต้องพัฒนาความความเข้มแข็งขึ้นเรื่อย เหมือนกับน้ําในการที่จะชําระสิ่งที่สะอาดออกเราจําเป็นต้องหาความสะอาดความใสของแก้วอีกไหมไม่จําเป็นเพราะอะไรความสะอาของแก้วมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เราล้างสิ่งที่ไม่สะอาดออกความสะอาปรากฏจิตของเราทุกคนเนี่ยสะอามาแล้วเพียงแต่เราชําระสิ่งที่ไม่ใช่จิตออกเท่านั้นเองนะมันก็จะพบ จิตเดิมแท้ท่านใช้ว่าประภัสระมิทางจิตังจิตนี้เดิมแท้สะอาดผ่องใสอยู่แล้วเพียงแต่มีอารมณ์ที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้จักอารมณ์ตัวนี้เราก็ไปยึดอารมณ์ตัวนี้ว่ามันเป็นจิตของเราไปยึดความดีว่าจิตที่ดีเป็นของเราไปลึกไปปฏิเสธว่าจิตที่คิดไม่ดีไม่ใช่ของเราเนี่ยมันก็การที่การไปสําคัญมั่นหมายสิ่งที่ผ่านเข้ามาในจิตว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ใช่ของเราเนี่ยเป็นท่านเรียกว่าเป็นอวิชชา คือความไม่รู้เท่าทันว่าอันไหนคือจิตเดิมแท้อันไหนเป็นตัวเพียงแต่เงาผ่านตอนนั้นเองเวลาเราไปนั่งปฏิบัติเนี่ยความรู้สึกดีกับไม่ดีเนี่ยผ่านมาตลอดใช่ไหมความรู้สึกที่ดีเหมือนเมฆสีขาวความรู้สึกที่ไม่ดีเหมือนเมฆสีขุ่นมัวและดำนะที่นี่เมฆขุ่นมัวและดำนี้มันเกิดจากอะไรสังสมมาจากเมฆสีขาวนั่นเอง ะแต่เมฆสีขาวมันเกิดความหนาแน่นขึ้นใช่ไหมถ้ามันบางๆอยู่เป็นเมฆสีขาวแต่พอหนาขึ้นมันก็เริ่มเมฆเป็นเมฆสีดําความคิดที่ดีๆพร้อคมคิดดีๆเหมือนเมฆสีขาวแต่ความคิดดีๆนี้มันดีตลอดไหมไม่ดีตอนแรกๆเราแต่งงานกันใหม่เป็นไงอะไรก็ดีหมดใช่ไหมนานๆไปมันดีเหมือนที่เราแต่งงานกันใหม่ๆไหมไม่ดีแล้วเพราะอะไรเพราะหลักของอะไรกดของอะไรอ่ะ นี่จังเรียรู้กันมาแล้วเมื่อว่านนะเพราะมีการเปลี่ยนแปลงพ่อโกดต้องการเปลี่ยนแปลงนี่เองถ้าเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติด้วยกดเข้ามาแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดีขึ้นหรือทางที่แย่ลงอ่าอันนี้ว่ากันไปแล้วถ้าโดยธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงเองโดยธรรมชาติดูนั่งน่ะนั่งเมื่อกี้เนี่ยสบายสบายตอนนี้มันสบายเหมือนเดิมไหมมันเปลี่ยนแปลงโดยเองธรรมชาติแต่เราจะกลับให้มันเปลี่ยนแปลงทางที่ดีได้ไหมได้เราทําไง ก็จัดการมันเอาออกไปใช่ไหมพอออกไปพอพลิกไปถ้าใหม่มันก็เหมือนว่าดีเบาสบายใช่ไมสักพักไปไงก็หนักอีกนี่คือกฎของการเปลี่ยนแปลงที่ี่เราจะอาศัยกฎของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ให้เป็นโลกุตละปัญญาได้ไหมทำอย่างไรดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าตัว การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โดยธรรมชาติมันจะต้องไหลลงเหมือนฝนตกมาเนี่ยมันจะไหลขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่ได้มันเป็นจากธรรมชาติไอสิ่งการเปลี่ยนแปลงเสื้อผ้าอะไรต่างเก็บเอาไว้มันจะดีขึ้นเรื่อยๆไหมไม่ดีเสียไปเรื่อยๆอันนี้หมายความโดยกฎโดยธรรมชาติของมันมันจะต้องเสื่อมดรีวยว่าอันนี้จังก็ให้เกิดทุกขขังแปรปรวนแล้วก็แปรปรวนานานเป็นอ น, นัตตาคือใช้ไม่ได้ อนัตตาแปไว้ใช้ไม่ได้มันจะเน่าเสียไปแต่ว่าเราอยากจะให้มันใช้ได้นานๆน่ะทํายังไงก็อย่าให้อา น, นิจจังเปลี่ยนเป็นทุกขงังอา น, นิจจังให้มันเปลี่ยนเป็นอะไรอทุกขงังเออเปลี่ยนไปไปให้มันไม่ไม่ให้มันไปพวนน่ะ <c oughs> อย่างปลาตัวหนึ่งคุณไปซื้อมาจากตลาดถ้าคุณไม่เอาเข้าตู้เย็นไม่ปิง้งไม่ย่างมาเก็บวางไว้อย่างนั้นน่ะอยู่ได้กี่วันอสามวันนั้นมาวันตอมแล้วใช่ไหมเจ็ดวันถ้าขึ้นอื่น อ่สิบวันเป็ไงนอนยุบยับเลยใช่ไหมแต่คุณซื้อมาแล้วคุณทำยังไงที่จะไม่ให้มันเน่ามันเสียที่จะไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามกฎอันนั้นทําไงอ่าไม่มีถ้าไม่มีตู้เย็นก็ต้องปิ้งต้องอย่างถ้ามีตู้เย็นก็เอาไปเข้าตู้เย็นก็มีโอกาสเสียได้ไง่าไปใส่ใส่ที่ไหนอ่าฟรีเชอร์อ่าไปใส่วิเชอร์ไว้อ่าคุ้มได้เป็นปีอย่างเงี้ยมันก็มีวิธีการจัดการต้องผ่านขบวนการ มันจะดีขึ้นเองไม่ได้ฉันใดก็ดีจิตที่มันขาที่มันดีวันนี้คุณนั่งสบายแล้วคุณจัดการมันไม่บ่อยคุณก็พอนั่งได้แต่ว่าจะให้ความไม่สบายของรูปหรือของกายเนี่ยให้หายโดยเด็ดขาดเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นกฎของใจรักเพราะเราได้ร่างกายสังขารมาด้วยวิบากกรรมเราเกิดมาด้วยวิบากกรรมคุณต้องมาเสวยไอ้ทุกข์ต่าง แต่ถ้าหากว่าคุณได้พบกัลยาณมิตรได้พบครูบาอาจารย์ได้พบพระอหารได้พบพระพุทธเจ้าท่านบอกวิธีการเราก็สามารถที่จะจัดการตัวความไม่สบายทางกายหรือความบาปทางกายเนี่ยมาให้ล่วงล้ําไปสู่ใจก็ได้นั่นคือมาปฏิบัติหลักการวิธีนี้คือมาทําวิปัสสนานะแต่ทําขนาดไหนอ่ะ <c oughs> ทําขนาดว่าเราทําเป็นอทําให้เป็น เพราะนั้นในพุทธศาสนาเราจึงไม่เน้นในวิปัสนาจึงไม่มีคําว่าบุญจะมีคําว่ากุศลต้องเปลี่ยนบุญให้เป็นกุศลคนเราชอบทําบุญหรือทำกุศลการให้ทานรักษาศีลนี่เป็นการทําบุญแต่การภาวนาเป็นการทํากุศลคนไทยส่วนใหญ่ชาวพุทธส่วนใหญ่เราชอบทําบุญหรือทำกุศลชอบทําบุ ญ, บบญแต่พอมาชวนมาทํากุศลก็มีอยู่แค่นี้แหละ <laughs> คนหลายล้านคนนะแต่ว่ามาด้วยบังเอิญก็มีมาด้วยยังมาด้วยเงื่อนไขอะไรต่างๆก็มีไม่ได้มาด้วยศรัทธาอันนี้ก็มีต่างหากนะเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนบุญให้เป็นกุศลได้ไงแทนที่เราจะเปลี่ยนให้บุญให้เป็นบาปใช่ไหมถ้าบุญนั้นถ้ามันเปลี่ยนโดยธรรมชาติมันจะกลายเป็นบาปแต่ถ้าเรามีตัวจัดการบุญจะเปลี่ยนเป็นกุศลที่จะวิธีเปลี่ยนอย่างไง เหมือนคุณนั่งเนี่ยถ้านั่งไปนานๆไอความสบายมันก็จะเปลี่ยนความไม่สบายไปเรื่อยๆที่จะเปลี่ยนให้ความสบายนี่คงอยู่นานๆทําไงก็ต้องใช้สติใช่ไหมใช้สติคอยปรับเรื่อยๆทีนี้ปรับมีสองอย่างปรับด้วยความรู้ตัวและปรับด้วยความไม่รู้ตัวคนส่วนใหญ่ปรับด้วยวิธีไหนไม่รู้ตัวเพราะเขาไม่ได้มาฝึกวิปัสสนา นะแม้แต่คนฝึกวิปัสนาแล้วก็ตามใช่ว่าจะรู้ตัวทุกครั้งไปนะอะแต่ว่ารู้วิธีการเท่านั้นเองดังนั้นก็คือเราปรับด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวเราก็จะได้กุศลแต่ปรับด้วยความไม่รู้ตัวคุณได้กุศลแต่กายแต่จิตคุณไม่เป็นกุศลแล้วเป็นโมหะปรับด้วยอวิชชาคือปรับด้วยความไม่รู้ตัวนะแต่ปรับด้วยความรู้เนื้อตัวก่อนที่จะปรับมีการไปไงขยับและรับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของกฏใจรัก การที่เราเข้าไปเห็นโกรใจรักจากการเปลี่ยนแปลงจางชัดเจนเนี่เองมันสามารถเปลี่ยนตัวบุญให้เป็นกุศลตะทิมะพร้าวเนี่ยเก็บไว้ในนานที่สุดโดยที่ไม่เข้าพิเชอร์เนี่ยได้นานเท่าไหร่ไม่เข้าพีเชอรอไม่เข้าตู้เย็นเก็บเปนนานเท่าไหร่ตะทิมะพร้าวอะ่ะสามวันใช้ได้อยู่ไหม ไม่ได้แล้วนะแค่วันเดียวก็ชักสงสัยแล้วใช่ไหมแต่เอาไปใส่เดี๋ยวนี้ใส่กับใส่กระปอ๋องอ่าสารกันบูดได้แต่ว่ามันก็แปรปวนอยู่นีถ้าสมมุติว่าเราไม่มีวิธีการไปใส่กระป๋องไปใส่ตู้ฟิชเชอร์ไปเก็บวิธีการใดหนึ่งมันก็จะต้องบูดเนา่าภายในสามวันห้าวันเจ็ดวันใช่ไหมทีนี้เราจะเก็บไว้โดยที่ไม่ให้มันบูดเน่าได้ไหมก็ได้นะได้ ก็คือเปลี่ยนค่ามันเสียเปลี่ยนกะทิให้เป็นเป็นอะไรเป็นกะทิกับปองเดีย๋ยวคุณเปิดคุณก็เสียอยู่ดีเนี่อถ้าหากคุณไปใส่ตู้พิเชอไอตู้เย็นเสียไฟไม่เดินไปไงมันก็เน่าอยู่ดีอะแต่ทีนี้เอาไปเปลี่ยนค่าโดยที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ยเอาไปเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนกะทิให้เป็นจากโคคนัตมิ้วเปลี่ยนเป็นโคคนัตออยคือเปลี่ยนเ ป, นเปน็นน้ามัน นั่นก็คือผ่านกระบวนการแต่การที่เปลี่ยนเป็นโคนั้นออยต้องมีสองคอนดิชันคือหนึ่งต้องคูเพสใช่องต้องผ่านอะไรเขียวไฟถ้าคูเพสเนี่ยเป็นระบบของสมรรถะคือเหมือนจับส่ตู้เย็นอะ่ะอันที่สองก็คือเขียวอันนี้คือระบบวิปัสสนาเปลี่ยนเป็นป น, น้ำมันบริสุทธิ์ได้อยู่ที่อุณหภูมิจิตของเราก็เหมือนกันถ้าหากว่า ไม่อยากให้จีนี่เปลี่ยนแปลงแ ป, ปรปวนบ่อยคุณก็ใช้ระบบคูเพลตคือสมถะได้เข้ า, าสมาธิเข้าชานเข้าอะไรไปเรื่อยๆก็สามารถอยู่ได้แต่เมื่อไหร่คุณไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้เข้าชานนะก็เหมือนก็ไฟเสียหุณถอดพักดูเย็นแค่นั้นแหละกระที่ก็เสียอยู่ดีใช่ไหมไม่แน่นอนแต่ถ้าเป็นวิปัสนาเอาโคคนัตมิลเนี่ยไปเขี้ยว คือถ้ามันเปลี่ยนเป็นน้ํามันและเข้ยวนานเข้านะยิ่งนานเท่าไหร่น้ํามันก็ยิ่งบริสุทธิ์มันก็จะส่วนปอมปนน้ํำในน้ํามันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปยิ่งน้อยเท่าไหร่มันก็ยิ่งสาดเท่านั้นฉันใดก็ดีถ้าเราจะเปลี่ยนความคิดเนี่ยให้เป็นตัวปัญญาทั้งสมถะและวิปัสสนา ถ้าจะเปลี่ยนความคิดและอารมณ์ต่างๆให้เป็นสมถะด้วยการกดด้วยการขม่มด้วยการบังคับด้วยการอดกันทนก็เป็นสมถะได้ใช่ไ่าก็ได้แต่ว่าดังที่กล่าวแล้วมันยังแปรปรวนอยู่มือเงื่อนไขมันยังไม่เอือ้อ <c oughs> นะแต่ถ้าจะเปลี่ยนความคิดนี่ให้เป็นตัววิปัสนาทำอย่างไรนี่ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเรากาลังเปลี่ยนตัวคิดให้เป็นตัวปัญญา โดยผ่านระบบพิพสชณาทำยังไงคุณจะต้องใช้อะไรใช้ตัวสติสัมปชัญญะที่เราฝึกอยู่เนี่ยนะเข้าไประลึกรู้ก่อนที่จะเปลี่ยนทุกครั้งและเพียรในการที่จะปรับจะเปลี่ยนอย่างมีสติทุกครั้งการเพียรในการที่จะปรับจะเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีความ นิวร์ต่างๆเข้าไปรบกวนด้วยจัดการกัดถ้ามันเข้าไปสู่จิตมันจะกลายเป็นนิวรถ้ามันอยู่ที่กายมันก็เป็นเพียงเวทนาการกําจัดเวทนาที่ไม่สบายง่ายกว่าไปกําจัดนิวร์เพราะเข้าไปสู่นิวร์เป็นนามรูปแต่ถ้ามันอยู่ที่กายอยู่มันเป็นรูปนามนั้นการจัดการในนิวร์หรือความไม่สบายในขั้นรูปนามหรือขั้นที่กายเนี่ยง่ายกว่าใช่ไหมแค่คุณพลิกคุณเปลี่ยนบ่อยๆมันก็แก้ไขได้แล้วแต่ว่า ด้วยความที่เรามีวิบากกรรมที่เราเคยเป็นคนละเลยเพเิกเฉยขี้เกียจโมหะครองมานานเพราะฉะนั้นเราจะรู้เนือ้อรู้ตัวในการพิกเปลี่ยนทุกครั้งเป็นไปไม่ได้เพราะเราได้สั่งสมความประมาทความเลินเล่อความเผลอเลอความหลงลืมมานานเพราะฉะนั้นเวลานำมาปฏิบัตินิสัยนะั้นมันก็กลับเข้ามาทําให้เราลืมเปลี่ยนทําให้เราลืมสังเกตทําให้เราลืมพิจารณาในสิ่งที่เกิด มันสิ่งเดียวนั้นนิวรณ์ก็เกิดอยู่ด้วยการหลงลืมเดี๋ยนี้ทําให้เราต้องไปแก้ไขที่จิตซึ่งยากขึ้นการแก้ไขความสบายที่กําลังเริ่มต้นโดยที่ไม่เสพก็จะง่ายกว่าการที่ไปแก้ไขความง่วงเหงาที่เกิดขึ้นในจิตแล้วแต่เราส่วนใหญ่เรากับความสบายนี้เราเป็นไงเราจะเอามันออกหรือจะเก็บมันไว้นั่นแหละต้องเก็บมันไว้ <laughs> แต่ว่าความสบายทางกายในเก็บไม่ได้เพราะมันเป็นกฎของอา น, นิจังมันช่างเปลี่ยนแปลงเป็นความไม่สบายพอมันแปลปวนใช่ไหมสบายสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงความไม่สบายเบาสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงเป็นหนักก็ไปยี้ตลอดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึงกการความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาขยันหมั่นเพียรเพื่อที่จะสังเกตว่าขณะนี้ ท่านเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยสบายขนาดนี้แล้วความสบายในเรื่องไม่สบายเนี่ยก็ปรับอยู่อย่างนั้นอะ่ะการที่เราเพียรที่ปรับแก้ปรับแก้ปรับท่านใช้คาว่าอาตาปีคือมีความเพียรเพ่งเผาเอาตัวที่ไม่พึงปรารถนาออกไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับให้มันอพอดีอยู่ที่กายแต่เมื่อใดเราหลงลืมปรับสมมติว่าความสบายเนี่ยถ้า มันนานไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นความไม่สบายเรื่อยๆตามกฎของนิจังถ้าเปลี่ยนไปมือความไม่สบายถึงระดับที่สิบเนี่ยหมายความว่ามันจะเข้าสู่จิตละสมมุตินะแต่อยู่หนึ่งถึงสิบเนี่ยความสบายพัฒนาไปถึงไม่สบายระดับหนึ่งถึงสิบร่างกายพอทนได้แต่เลยสิบไปเป็นสิบเอ็ดเนี่ยเข้าสู่เขตแดนของจิตละมันก็จะไปสร้างนามารูปละเพราะฉะนั้นเราก็คอยดูว่าระหว่างหนึ่งถึงสิบเนี่ยความ สบายเปลี่ยนเป็นความไม่สบายความไม่สบายเปลี่ยนเป็นความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้มันอยู่ในเขตแดนของรูปไร่นามการที่เราเข้าไปเฝ้าดูความสบายไม่สบายของรูปไร่นามนี้เองเรียกว่าอาตาปีแต่เราสบายเกินไปโดยที่ไม่เอาใจใส่สักพักมันก็เป็นไงหาวเรารู้ว่าเมื่อวานแล้วใช่ไหะหาววอดหสักพักหนึ่งก็ถ้าไม่แก้เป็นไงก็ริ่มตาก็เริ่มหนัก ตอนแรกนี่คางมันจะหนักก่อนนะหะลิ้นมันจะหนักก่อนอแล้วก็ตาเริ่มหนักเพราะตามเริ่มหนักอ่ะไปละนี่หมายความว่ามันเกินขั้นที่สิบไปละแต่ว่าหนึ่งที่สิบสติเราไปไหนทํำไมไม่ตรวจสอบเพราะยังไม่มีกําลังพอพอเวลาไปนั่งสร้างจังหวะสักพักก็เป็นไงของเก่ามันมาละความเคยชินความเบือเบ่อความเซงความขี้เกียจความคิดปรุงแต่งพุ่งสั้นบุนเข้ามาเราก็ต้องไปสู้ศึกกับตัวนั้นไปสู้ตัวที่นิวรณที่มาทางกาย นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำในประจำวันแต่คนบางคนฝึกที่นี่ให้ชำนาญแล้วยังไม่พอพอออกจากคอสนี่ไปไปทาต่อที่บ้านที่มีการที่มาต้องเที่ยวไปเที่ยวมาพา่อแลวพ่อเห็นความตั้งใจของเขามากๆเลยนะพอกลับมาเนี่เขาก็เก็บอารมณ์กันต่อพลัดกันเก็บเขาก็ไปสร้างกลุ่มเขาเองอคนวัน น, ออ น, นี้วันนี้วันที่บกเออหลวงพ่อวันที่สิบหกหนูไปเข้าเก็บปฏิบัต วันนี้ไปเก็บเดือนนี้ปฏิบัติ บ, บ้านคนนั้นนะเระลมกลุลก่ม บ, บ้านคนนั้นคนนุณนที่บ้านใหญ่กว้างบริเวณกว้างเขาก็สมมุติอาบ้านนี้เป็นกลุ่มของสตินะถึงเวลาที่จะเก็บระลมบ้านนี้มีความพร้อมเพราะว่าเจ้าของบ้านปฏิบัติมามากแล้วก็อยากจะฝึกเพื่อนก็นัดกันมาที่บ้านบางทีไปที่วัดเนี่ยไม่ตอบไม่ตอบโจทย์เรานี้เพราะวัดเป็นเรื่องอะไรเรื่องของวัดวัดอะใช่ไหมมีพิธีลีตองมี ทำวัดเช้าทำวัดเย็นมีสมาทานน่นมีถวาย น, น่นถวายนี่วุ่นวายเพราะวิธีการของเราเนี่เอาเรื่องผิวๆหรือเรื่องนี้เฉพาะเท่านั้นเห็นความตั้งใจของเขาหลวงพ่ออยู่ที่นี่อั น, นก็โทรมาสอบหลวงพ่อติดอารมณ์ตรเนี้จะแก้ยังไงเดี๋ยวนี้มันมีเฟซมีลายมีอะไรเยอยะๆมันก็ง่ายใช่ไหมนะ แต่ว่าคุณไทยเรายังไม่ค่อยปราคฏเท่าไหร่นะไปแล้วก็ออกจากนี่ไปอุ้ม่ปข้อท้าไปอาจารย์นั้นต่อไปอาจานี้ไป่้อท้าไปอาจารย์นี้ต่อไปเรื่อยๆนะมันก็เลยมีทางเลือกเยอะเกินไปแล้วก็ทดสอบชิมล้านนิดชิมร้านนีน่เลยเลยไม่อิ่มพราะมดวดจะไปชิมแต่ในวิธีการที่วิธีการหลวงพ่อเทียนเราไม่อยากให้ทําอย่างนั้นให้คุณตั้งใจทานที่นี่ให้อิ่มเลยแล้วกลับไปคุณต้ไปหาวิธีว่าอาหารเช่นนี้มัน เฮลซี่หรือเปล่ามันทําให้เราสุขภาพจิตสุขภาพกายเราดีขึ้นหรือเปล่าถ้าทําให้สุขภาพกายสุขภาพจิตดีขึ้นเราก็ไปหาวิธีที่จะปรุงอาหารเช่นที่นี้ด้วยตัวเองอ่ามาที่นี่หลวงพ่อปรุงนลยไหมพวกเราก็มาเอาตัวอย่างว่าเออจะปรุงแบบนี้นะจะทําแบบนี้นะก็เอลองไปทําที่บ้านเออทําที่บ้านก็ทําเป็นละเอยต้องจัดสิ่งแวดล้อมแบบนี้ ต้องแก้ไขปัญหาแบบนี้ต้องทำจิตแบบนี้จะต้องไม่มีโทรศัพท์กวนนะจะดูที่สังัดนะไม่ติดต่อผู้คนนะในช่วงที่เรากำหนดว่าเราจะเก็บเงียบตัวเองเนี่ยต้องมีบรรยากาศแบบนั้นให้เอือ้อแต่ถ้าเรามีภาระอีลงตุงนั่งอยู่ก็ยากละ่ะใช่ไหโอ้หนูต้องทำงานหนูต้องไปเรียนหนังสือดึงไปอยากละ่ะแต่ว่าก็ต้องหาเวลามันต้องมีเวลาของมันนะ เวลาวันเสาร์อาทิตย์แทนที่พักแล้วแทนที่จะเอาไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวเล่นไปทำอะไรต่างก็เอาวันนี้ขอทําสักสามชั่วโมงเก็บอารมณ์สามชั่วโมงอะใช่ไหมมีเวลาก็ทำแค่สามชั่วโมงก็ได้เอามีวันนี้วันนี้เวลามีห้าชั่วโมงก็ห้าชั่วโมงก็ทําแบบที่เรามาทำในห้าวันก็ได้สมมติว่าชั่วโมงหนึ่งต่อหนึ่งวันเงี้ยคุณก็บริหารจัดการในห้าชั่วโมงนะั่นอย่างดีเลยถ้ามีความ ทั้งใจมีความผ่อนขวา ย, ยิาง่งต้องมีการพัฒนาแน่นอนเลยแต่เนื่องว่าเรายังไม่เห็นประโยชน์และอานิสงส์เรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเราไม่กล้าที่จะเสียสละและทุ่มเทขนาดนั้นใช่ไหมฮิถ้าหากว่าเราศึกษาดีๆแล้วได้เห็นประโยชน์และอานิสงส์ของการทํำอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยเราจะประหยัดเวลาของเรามากๆเลยเราจะไม่ให้เวลานี้เสียไปในเรื่องไร้สาระ เพราะชีวิตนี่มันมีค่าทุกๆกวินาทีที่มันผ่านไปแต่เราใช้นาทีเหล่านั้นไปในสิ่งที่ไร้สาระเนี่ยชีวิตนี่ก็เสียคุณค่านี้ไปนะนั้นเบื้องต้นนี้ให้เห็นคุณค่าของเวลาและอันที่สองให้เห็นว่ากิจกรรมที่เราทําบอกว่าวันนี้มีกิจกรรมที่จําเป็นห้าอย่างคุณก็มาเรียงระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าอันไหนที่จําเป็นที่สุดทําก่อนเพราะวันหนึ่งเรามักจะเออวันนี้จําเป็นนู่นจําเป็นนี่ใช่ไหม จำเป็นอะไรบ้างอะมันเป็นไปทํางานจําเป็นส่งพ่อไปหาหมอส่งแม่ไปหาเพื่อนส่งพี่โอ้เยอะแยะเลยงานจําเป็นที่มันจะจำเป็นอย่างนี้ทุกวันเฉยเลยฮะโยมจําเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอบางวันมันก็ไม่มีใช่ไหมเราก็เลือกวันที่มันไม่มีความจําเป็นนั่นแหละจําเป็นโอ้นี้จําเป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่จําเป็นที่สุดนะเราก็อ๋อวันนี้ละมีเวลาสามชั่วโมงฉันจะลองทําดูก็ทําแบบนี้แหละ นางสร้างจังหวะเดินโจโคมสังเกตกายใจไปเรื่อยๆมันเป็นการสร้างกุศลบุญเป็นผลกุศลเป็นเหตุถ้าเราสร้างกุศลเนี่ยบุญมันเกิดเองหละนะคือมาทำภาวนาเลยเพราะนันคนที่ฉลาดมุ่งทำภาวนามากกว่าทานและศีลเพราะอะไรเพราะมันง่ายทำที่ไหนก็ได้ใช่ไเรื่องทานเรืงศีลคุณจะต้องไปหาวัดหาสานักหาอะไร เป็นพิธีกรรมแต่ทํากุศลเนี่ยคุณได้ทั้งฐานและได้ทั้งศีลไปนในตัวเลยแล้วก็มุ่งภาวนานะเออวันนี้เดินจงกรมสักหนึ่งชั่วโมงนั่งสั่งจังหวะสักหนึ่งชั่วโมงอ่ะได้ทํำกุศลละบุญก็ได้ทำตอนนั้นให้ไปแพลนว่าในอาทิตย์เนี้ยเราว่างวันไหนบ้างหรือไปแพลนว่าวันเนี้ยว่างวันไหนบ้างเอาต่ออาทิตย์ต่อวันกันเลยนะ ลักษณะอย่างนี้มีโอกาสได้ก้าวหน้าในการปฏิบัติเรื่อยๆแต่ถ้ามาอบรมได้ละครั้งจบแล้วคือจบกลับไปก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างเสียเวล า, าจริงๆ <c oughs> แล้วเวลาเดี๋ยวนี้มันคิดกันเป็นชั่วโมงใช่ไหมชั่วโมงละใช่ไหมเราไม่ใช่วันละนะอะสี่เทนแก๊กเดียวเนะี่ยเข้าไปถ้าหลายร้านก็มีใช่ไเวลาบางคนนะ่ะดังนั้นเองก็ไม่อยากจะให้เวลามันมันผ่านไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์แต่ประโยชน์มีสามอย่างหนึ <c> ่ง <oughs> เรียกว่าทิฏฐะธรรมกัตตประยชน์ประโยชน์ที่เฉพาะหน้าที่เช่นการทำมาหากินประโยชนะ์หน้าที่เห็นเฉพาะหน้าการทำมาหากินจะหาได้อย่างไร ห, หามาแล้วจะรักษาได้อย่างไรแล้วจะทำยังไงอาชีพที่มันทำไรายได้แล้วหาเพื่อนหาฝูงที่ไหนมันช่วยเราได้ทำให้อาชีพที่ดีเ น, เนี่ยเนี่ยเป็นการทำมาหากินนี้เรียกประโยชน์ที่เห็นณนะปัจจุบันแล้วบางคนก็ได้ทำมาแล้วนะประโยชน์หน้าที่สอง วันต่อไปปีต่อไปเดือนต่อไปเราจะอยู่ยังไงเราจะกินยังไงเราจะปลอดภัยเหมือนวันนี้ไหมต้องแพลนละประโยชน์อันที่สองประโยชน์ข้างหน้าและประโยชน์อันที่สมประโยชน์สูงสุดประโยชน์ Gandhi, สูงสุดว่าเราจะไม่ทุกข์วันนี้ได้อย่างไรเราจะไม่เครีย ด, ว, นนดยวันนี้ได้อย่างไรเราจะไม่ฟุ้งซ่านวันนี้ได้อย่างไรเราจะพบเพื่อนแต่เพื่อนที่ดีได้เราจะให้อารมณ์เราดีๆทั้งวันได้อย่างไรนี่ประโยชน์สูงสุด จำเป็นไหมถ้าทําประโยชน์สูงสุดได้ประโยชน์สองอย่างทั้งประโยชน์ข้างหน้าและประโยชน์ปัจจุบันได้ไหมได้เพราะฉะนั้นเมื่อทำหนึ่งได้อีกสองและทำหนึ่งแต่อีกสองอย่างไม่ได้จะทําอะไรก่อนนะทันนะดังนั้นเราก็ทำประโยชน์สูงสุดไว้ก่อนเพราะทําประโยชน์สูงสุดคือทําไงวันนี้ใจมันดีเสมอทําไงวันนี้ใจมันว่างเสมอทาําในวันนี้รู้สึกร่างกายเข้มแข็งเสมอ ทำไงวันนี้ได้รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เสมอมันเป็นการให้ทานและรักษาศีลได้ง่ายละประโยชน์ข้างปัจจุบันก็ได้จะทํางานก็สบายโยมคุหนึ่งอยู่ชีกก้กโกหลังจากแกมาฝึกอย่างนี้สองครั้งแล้วเนี่ยแกเห็นประโยชน์เพราะนั้นเมื่อก่อนเวลาว่างไปดูนังฟังเพลงชวนเพื่อนไปนู่นตอนนี้ไม่เอาละมาภาวนาได้ชั่วโมงหนึ่งก็ออกได้สองชั่วโมงก็แกเป็นเรเตอร์เนาะประเภทอะไรขายที่ขายบ้านขายอะไรต่าง บริษัทก็มาทําภาวนาแล้วปรากฏ ว, ว่าเวลาแกไปทํางานงานแกเวิร์กมากเลยนะทําผลกําไรให้บริษัทปีหนึ่งหลายหมื่นเหรียญเพราะนั้นไลไลก่กกขึ้นอัพขึ้นอัพขึ้นอัพขึ้นคนก็เชื่อถือในการทํางานเพราะมีความแจ่มใสมีความฉลาดว่องไวแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ตรงเป้าหมายไม่ยืดเยื้อเสียเวลาคนก็ถามหาดิแล้วได้ก็อัพขึ้นอัพขึ้นอืมทีนี้เวลาเป็นอย่างนี้มันก็เอื้อเฟือ้อช่วยเพื่อนได้เยอะ แล้วเวลาเมืองไทยมีปัญหาอะไรทำหลวงพ่อจะทำไงดีวันก่อนสำนักคุณปีชาที่เบิกฟ้าสมสุหันเนาะฝนมาตกเยอะประกวดน้ำป่าไหลหลากถ้ารู้เอาไอไอสมของคุณปีชาไปใชเยอะเลยทั้งของครัวทั้งพื้นในเสียหายเขาก็เอาไปออกลายหลวงพ่อเลยโยมคนนี้ไปเห็นเข้ามันต้องช่วยกันแล้วในสายงานของเราก็ส่งมาตูมหลวงพ่อก็เลยให้คุณปีชาไป ก็ใช้ได้เลยเพราะไปลงๆ ก, ก, ก็ได้เป็นแสนเหมือนกันนะที่ประชุมก็ไปช่วยได้เยอะลักษณะเงี้ยเมื่อไปทำประโยชน์สูงสุดแล้วมันจะเอื้อเฟื้อผู้อื่นได้ง่ายขึ้นจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ง่ายขึ้นดัง น, นั้นเองเราอยากจะให้ท่านทุกคนเห็นความสําคัญของการภาวนาถ้าเราภาวนาจิตใจเราดีอารมณ์เราดีคำพูดเราดีเรามีสามีเขาดีกับเราไหม ดีมีลูกเขาดีกับเราั้มมีพ่อแม่เพื่อนฝูงเขาดีกับเราไ้ยดีหมดใช่ไหมแล้วได้รับความร่วมมือไหมรับความร่วมมือได้จะทำอะไรก็ง่ายหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยการภาวนา ม, มันดีถ้าใจเราดีสักอย่างทุกอย่างมันดีหมดถ้าใจเราเสียสักอย่างทุกอย่างเไป็นไงไอ้ที่ดีๆก็เสียไปเหมือนกันนะ วันนี้อารมณ์บูดอารมณ์ไม่ดีนะหน้าไม่เบิกบานเลยเนะี่ยเขาเห็นก็ไม่อยากเข้าใกล้ละอะเดี๋ยวก็โดนนะแต่ถ้าหน้ายิ้มแย้มแจม่มใสาอารมณ์ดีทุกคนอยากเข้าใกล้ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ขายของก็คล่องอะใช่ไหมไปร้านไหนนี่หน้าเจ้าของร้านบูดออกมาไม่อยากเข้าเลยนะอะไปเจอร้านไหนอนาใสา ย, ยิ้มรับแขกโอเคก็ลักษณะนี้ก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นเมื่ออารมณ์เราดีใจเราดีเนะี่ยมันก็เป็นที่มาของทั้งประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์อนาคตไปในตัวเพราะฉะนั้นเราก็ทําตัวประโยชน์ที่เป็นปัจจุบันแต่ตามภาษาบาลีท่านว่าอย่างนี้นะประโยชน์ที่เป็นปัจจุบันหนึ่งคุณต้องมีอุทานะสมบัติต้องหมั่นขยันทํางานสองเมื่อขยันทํางานมาได้คุณต้องอารักษ์สมบารู้จักเก็บรู้จัก เก็บลอมหอมลอมลิบสิ่งที่คุณหามาได้สมอาชีพที่คุณทนะําน่ยมันเอื้อต่อการทําทุจริตผิดกฎหมายเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าหรือเป็นสม า, าชีพเท่านั้นจะถาหกว่าอาชีพไม่ดีทําให้คุณเดือดร้อนที่หลังก็หาอาชีพที่มันมันดีนะสีเพื่อนฝูงที่คบกันเนี่ยมันเอื้อต่อให้เราเป็นคนเติบโตขึ้นหรือเป็นคนที่ทําให้เราต้องไปติดอบายมุก หรือไปแนะนําในทางไม่ดีเราจะคบเพื่อนแบบไหนเราจะเป็นปาปะมิตรหรือกิระยะาณมิตรนี่ประโยชน์ปัจจุบันให้ทําได้สี่อย่างเนี่ยขยันมันรักษาหาชีพที่ดีแล้วก็มีเพื่อนที่ฉลาดกว่าเราหน่าดีกว่าเราเพางั้นเถอไม่ใช่ฉลาดบางทีมันฉลาดมันไม่ดีก็มีนะมันโกงเราก็มีเพื่อนที่ไม่ดีนะแล้วประโยชน์ข้างหน้าประโยชน์ข้างหน้าคืออะไร ที่หลวงพ่อบอกว่าไม่อกีประโยชน์ข้างหน้าก็คือต้องคุณต้องวางแผนที่ดีว่าในวันเดือนปีต่อไปเนี่ยคุณจะให้มันดีเหมือนอย่างเป็นจุยยอนคุณต้องทำอํำเลยต้องมีคุณสมบัติสี่อย่างอ่าหนึ่งต้องมีความรักในสิ่งที่เราทําเหมือนกับสิ่งที่เราทำเหมือนกับชีวิตของเราไม่ใช่จําใจทําไม่ใช่เจ้านายบางังคับให้ทําไม่ใช่ถูกล่อให้ทําเพื่อค่าจ้างรางวัลแต่เรารักที่จะทําสิ่งนั้น ค่าจ้างได้บ้างไม่ได้างถูกสูงบ้างต่ำบ้างไม่เป็นไรแต่งานนั้นรู้สิรักอันที่หนึ่งนะ่อันที่สองต้องทำเรื่องนั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดระบบดีออแกนไนด์ดีอันที่สคุณต้องมีการเสียสละในการอยู่ร่วมกับเพื่อนอในการที่อยู่ร่วมในครอบครัวในการอยู่ร่วมบริษัทคุณต้องรู้จักเสียสละ อันที่สี่คุณต้องมีปัญญานาว่าอะไรเป็นอะไรรู้จากเขารู้เขารู้เราว่าเพื่อนเป็นยังไงฝูงเป็นยังไงการงานเป็นยังไงจะทําให้ยั่งยืนได้ไงเจ้านายเป็นยังไงคุณต้องมีการประเมินประมวลเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เขาเรียกว่าประโยชน์ในวันข้างหน้าคุณต้องมีสี่อย่างนี้แต่ประโยชน์สูงสุดมีสามคือมรรคผลนิพพาน ก็คือคมาคุณมาทํานี้มาทํามักผลนิพพานนะไม่ใช่ทําประโยชน์มาทําประโยชน์สูงสุด น, นะคือมามักมันคืออะไรมักคือขนขวายว่าอะไรที่จะทําให้เกิดทุกข์สมุทัยทําให้เกิดทุกข์ขู่ความง่วงความเพลินใช่ไหมเป็นเหตุเกิดทุกต้นต้นคุณจัดการมันได้ไหมต้องเฝ้าระวังใช่ไหมเฝ้าระวังไม่ให้มันเกิดแต่ว่าระวังเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ยังเกิดไอ้ความง่วงหนะ่ะใช่ไหมระวังระวังเท่าไหร่มันก็ยังเพลินอะ่ะ แต่รู้ว่าง่วงว่าเพลินต้องทำไงแก้ไขทันทีเรียกว่าประหารแก้ไขได้ทันทีนะแล้วก็ระวังอย่างเดียวไม่พอต้องเพิ่มกําลังในการฝ่อรองให้เข้มแข็งขึ้นอย่าให้มันเพลินง่ายอย่าให้มันง่วงง่ายอย่าให้มันเบื่อง่ายอย่าให้มันปรุงแต่งง่ายอย่าให้มันเซ็งง่ายมีวิธีการอย่างไรคุณต้องหาวิธีการละแล้วก็อันที่สี่ รู้จักหาวิธีหาเทคนิคที่จะทําไม่ได้ทําไปทื่อๆต้องมีวิธีการ น, นี้ก็ต้องเรียกว่ามักต้องหาวิธีการที่ จ, จัดการกับเรื่องเหล่านี้อ่าไม่ใช่ว่าหลวงพ่อบอกเท่าไหร่ก็ท่านไม่ใช่คุณต้องไปคิดต่อเองว่าเออความง่วงมันมาอย่างนี้นะอะบางทีหลวงพ่ออาจจะพูดไปไม่ถึงก็ได้แต่เรารู้ว่าเพราะความม่วงของแต่ละคนมาช้ามาไวไม่เหมือนกันม า, มามากมาน้อยไม่เหมือนกัน เราก็หาวิธีจัดการนี่เรียกว่าวิธีการที่เราทําเนี่ยเป็นมรรคผลนิพพานน่ะตัวง่วงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราตั้งโจทย์ก่อนอ่าเป็นทุกข์แล้วเหตุเกิดทุกข์เหตุเกิดควา ม, มง่วงคืออะไรความเพลินใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมุทยัยเขาเรียกสมุทยัยคือเหตุเกิดสมุทัยนี้ต้องทำยังไงต้องละใช่ไหมทุกข์ต้องทําังไง ต้อรู้จักว่าเออไอ้ทุกข์นึงมาจากไหนไอ้ความง่วงมาจากไหนความง่วงลักษณะความง่วงเป็นอย่างไรคุณก็ต้องวิจัยบางทีคนบางคนไม่ง่วงฟุ้งฟุ้งสั้นฟุ้งสั้นได้ไปสูขไปทุกเป็นทุกอฟุ้งแล้เป็นทุ ก, ท, กทุกต้องตามรู้ว่าความความฟุ้งสั้นมาจากอะไร พอตามรู้หาเหตุเป็นสมูทัยใช่ไหมเออเจอสมูทัยเพราะที่มันฟุ้งซ่านเพราะว่าฉันนั่งนานเกินไปมันปวดหลังปวดเอวฉันเลยขี้ไปทั่วเลยเผลออ๋อามาจากนี้คุณก็ปรับปรับไปความไม่สบายออกไปความฟุ้งซ่านก็ลดลงอออันนี้ละได้แล้วทีนี้เราจะทําให้รู้บ่อยๆว่าทําเมื่อสัญญาณที่จะทำให้เกิดฟุง้งซ่านนัมันต้องมาสัญญาณแบบนี้ก่อนเราก็สร้างความความไหวของสติสมัชัญญะสร้างความไวของเซปตนี้เรียกว่าภาวนา แล้วจะรักษาระดับความไวรักษาระดับความาชัดเจนของสิจจิธะได้อย่างไรที่จะมินทแนนมันให้ชัดเจนเลยว่าอนุรักษณาก็อันนี้คือง่ายๆอย่างเงี้ยเริ่มต้นแต่ว่าถ้าเราไปพูดเออคุณต้องรู้อริยสีมารมีองแปดปฏิสุบั้งโออะไรก็ไม่รู้ฉันไม่รู้ด้วยนะแต่ถ้ามาเอามาขยายมาซิมบิฟายให้ง่ายแบบนี้ไปไงมันก็เข้าใจได้แล้วก็ทาได้ด้วย แต่ถ้าเราไม่เห็นความสําคัญในสิ่งง่ายๆสิ่งยากๆจะทําได้ไหมไม่ได้แค่แก้ความเพลินแก้ความสบายคุณยังแก้ไม่ได้เลยสิ่งที่เห็นๆนี่ใช่ไหมความหนักความเบาของของอาการที่เกิดคุณยังไม่ตั้งใจทําเลยไอ้สิ่งที่หนักไปกว่านั้นคุณจะทําได้ไหมไม่ได้เพราะสิ่งยากๆมันจะต้องเริ่มไปจากสิ่งง่ายๆนี้สิ่งที่ละเอียดมันจะเริ่มเป็นสิ่งที่ยากๆแล้วนี่นะ ดังนั้นในสิ่งที่นำเสนอทุกวันนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ถ้าเราเห็นเป็นเรื่องเล่นๆก็ช่วยไม่ได้เพราะวิบากกรรมเราเยอะอยู่มันเลยไปบทบังจิตใจเราไว้ไม่เห็นความสาคัญเราก็ทำเล่นบ้างจริงบ้างเอาบ้างไม่เอาบ้างมันก็ทำให้เราไม่ได้สาระที่แท้จริงของการปฏิบตัตินะแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นต้องใช้หลักของอิธิบาท นะ่จรักของอิทธิบาทคือคุณรักที่จะทำไหมเรื่องเหนี้ยสองเมื่อคุณรักที่จะทําแล้วลองทําอย่างถูกต้องไหมเรื่อ ว, ว่าวิริยะทําอย่างถูกต้องทําไงก็ที่ว่าเมืม่อกิ้หนึ่งเฝ้าระวังสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคและปัญหาที่เกิดแต่ละขณะสองเมื่อเฝ้าระวังแล้วเป็นไง มันเกิดขนาดเฝ้าระวังเพลินแล้ง่วงแล้วเฝ้าระวังอยู่นะมันก็เผลอเกิดยืนได้แต่รู้ทันละทันทีแก้ไขทันทีปรับออกทันทีสามต้องปรับกำลังของสติสรรมะให้ชัดแจ้งไว้ให้ชัดเจนไว้เสมอสี่เมื่อปรับได้ชัดเจนแล้วดำรงรักษาไว้อันนี้เขาเรียกว่าวิริยะที่ถูกต้องต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่คุณขยันทามากๆขยันเดินขยันทา แต่คุณไม่มีวิธีการเฝ้าระวังว่าอะไรมันจะไปอะไรมันจะมาไม่ได้ชัดเจนเรื่องนี้เลยเนี่ยอันนี้ก็เพียนไม่ถูกต้องละในโกดอันที่สองนะอันที่สามนะต้องพินิษพิจารณาว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในกายในใจของเราชัดๆปรับดูร่างกายเป็นไงสบายไหมหรือปกติไหมปรับดูจิตเป็นไงอารมณ์วันนี้ตื่นขึ้นมาก็ต้องพิจารณาละ เออวันนี้รู้สึกไม่สบายทําไงต้งหาวิธีเอาออกให้ได้นะเพราะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาถ้าร่างกายเข้มแข็งร่างกายสบายอารมณ์ไม่ค่อยไม่ค่อยแปรปรวนเท่าไหร่นะก็เลยว่าตื่นเครื่องต้องมาเจริญสติแบบเข้มข้นโดยการทํา The Fire t i n t h i Light ได้ทํากันทุกคนไหมตอนเชา้าบางคนก็ทําทบางไม่ทำบางหลวงพ่อเห็นอยู่นะผู้นี้โยมผู้หญิงจะอาจจะต้องไปทําข้างล่างมันกว้างหน่อยผู้ชายขึ้นมาทําข้างบนบอกว่าโอ้โยงเยอะหลวงพอ่อไม่ต้องหลวงพ่อมียาให้แล้ววันนี้ อยากกันยุงนะหลวงพ่อทดลองนะเอามาทาทาทางมือเมื่อวานนี้ยุงมันกวนยุบยับเลยวันนี้ลองเอามาทาไม้ทามือทาเท้าปรากฏว่ามันไม่กวนเลยอ๋อมีวิธีการนะหลวงพ่อจะซื้อให้สักขวดใช้กันให้ทั่วเลยนะแต่ถ้าคนไม่ไม่ต้องการที่จะเอาของอื่นไปซื้อเองก็ได้นะง่ายๆอันนี้คือวิธีการเรื่องเดือดไฟที่เบสที่ไร่ที่หลวงพ่อนำเสนอที่เชียงใหม่ที่บ้าน สวนพันดาวเนะเออเขาทำกันจริงจังตื่นเช้ากันมาหลวงพ่อไม่ต้องไปเรียกให้ยากลเลขามากันทำพรุ่ๆๆเลยนะทำต่าคนทางทำก็ครูจีนี่แหละดูแลดูแลในการทำทำทาให้มันถูกคนที่ใหม่ๆก็ทำจะครั้งละสีห้าท่าก็ได้แต่คนที่เคยทำมากขึ้นก็เพิ่มขึ้นเป็นสิบเพิ่มเป็นสิบห้าเพิ่มยี่สิบหลวงพ่อว่าเพิ่มได้ส0 4 0ิบสี่สิบแล้วเดี๋ยวนี้นะ แต่ละแต่ละช่วงแต่ละนาทีมันทําให้เราเข้มแข็งขึ้นทําให้เราแก้ไขปัญหาสุขภาพได้เร็วขึ้นนะเพราะนั้นก็สิ่งไหนที่มันดีต่อกายต่อใจต้องทําสิ่งนั้นทุกวันเหมือนทานข้าวใช่ไหมถ้าหากว่าไม่ทานข้าวร่างกายและจิตใจไม่ดีแล้วก็ไม่ทิ้งการออกกาลังกายเราเอาเข้าเท่าไหร่ก็ต้องเอาออกเท่านั้นเอาเข้าว เข้าไปเท่าไหร่ก็ต้องออกเท่านั้นเพะเราพอทำเรื่องนี้ปับ๊บระบบการหายใจก็ดีใช่ไหมได้ออกซิเจนขึ้นไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงปอดปอดของเราก็จะเป็นไงออกซิเจนเข้าไปทำการพิวรีฟายจากเปลี่ยนจากเลือดเสียให้เป็นเลือดดีได้นะเมื่อถุงลมในปอดมันมีถึงสามรอยล้านถุงเนี่ยมัน ถุงเล็กๆเล็ก เ, เ, เ, เ, เ, เ, เ, เ, เนี่ยเป็นปิดฟองน้ําเนี่ยสามยล้านถุงถ้ามัน hn, เต็มด้วยออกซิเจนทุกถุงนะวันนั้นเลือดอราเรากินอะไรเข้าไปหายใจอะไรที่มันเป็นของเสียในปอดมันจะเปลี่ยนเป็นของดีหมดเลยเพราะกำลังของออกซิเจนแล้วก็มะเร็งก็กลัวมากกลัวอะไรกลัวออกซิเจนอ่าถ้าหากว่าคนที่เป็นมะเร็งเชื้อมะเร็งเพราะออกซิเจนเข้าไปไม่เต็มไม่เต็มปอดมันเข้าไปเปลี่ยนไม่ได้เพราะคนไทยเราหายใจสั้นเพราะอะไรรีบ รีบไปขึ้นรถรีบไปทํางานไม่มีเวลาหายใจยาวนะแต่ความจริงเมื่อได้ฝึกเท่านั้นเองเนะี่ยเราก็อยู่ที่ไหนก็หายใจยาวได้แต่เราลืมไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการฝึกที่เบเทไลท์จึงเอาตัวนี้เข้าไปด้วยการหายใจยาวๆ ย, ยกตัวขึ้นหายใจยาวตัวลงหายใจหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวต้องฝึกนะต้องฝึกถึงเช้าขึ้นมาก็ทําเลยนะ แต่ตั้งบุตรีหลวงพ่อบอกตื่นขึ้นมาทําก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งไปล้างหน้าอาบน้ําพอทําเสร็จแล้วไปล้างหน้าอาบน้ํากลับมาสวดมนต์ทำวัดภาวนาอันนี้ตื่นขึ้นมาล้างหน้าอาบน้ําเสร็จมาทําโดยไฟที่เป็้ไม่อยากทําแล้วพราะเหงื่อมันออกแล้วไม่สนุกละเพราะนั้นที่สวนพันดาบอกว่าเออทุกคนตื่นขึ้นมาอย่าเพิ่งไปอาบน้ําล้างหน้าเลยมาก็มาปฏิบัติเลยหลังจากทําเสร็จแล้วอนุญาตให้ไปอาบน้ําล้างหน้าครึ่งชั่วโมงก็กลับมาสวดมนต์แต่ทุงนี้เรายัง ไม่พร้อมที่จะทําแบบนั้นนะเพราะว่าบางคนก็สมัครใจบางคนก็ ย, ยังไม่สมัครใจหลวงพ่อนัดสี่โมบางคนมาใกล้จะห้าโมพึ่งมาอย่าังนี้ก็มีนะก็ขนไฝ่หน่อยนะการดูแลตัวเองไม่ได้ซื้อไม่ได้หาดัง น, นั้นในวันนี้หลวงพ่อพูดถึงเรื่องว่าเราจะทําอย่างไรให้มีความรักในการกระทํานะ่ะต้องเห็นประโยชน์แล้วก็เรียบเรียงประโยชน์ให้เห็นทั้งบทว่าอันนี้ประโยชน์ของมนันนะ แล้วหลวงพ่อก็มีตัวเองเป็นพยานด้วยว่าเออได้รับผลดีจากการทำหลังเนี้ยมาห้าสิบหกสิบปีแล้วแล้วเราจะไม่เอาเป็นตัวอย่างบ้างหรืออ่าก็เอาไปพิจารณานะแต่คิดว่าต่อไปถ้าหากว่าประเทศไทยเรามีคนกลุ่มอย่างพวกเราเนียเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็จะเปลี่ยนนะมันก็จะเป็นโครงสร้างใหม่คนละแบคนละอย่างเพราะว่า คนไทยเราโดยเฉพาะหญผู้หญิงเนี่ยมีร่างกายที่ค่อนข้างอ่อนแออารมณ์เสียง่ายมีอะไรกระทบ ก, กระทั่งกับอารมณ์ก็บูดก็เบีิยวได้ง่ายเพราะความไม่เข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจแต่ในประเทศบางประเทศที่ถลงพบไปมาอย่างเยอรมันอย่างอเมริกาบางรัฐเนีย่ยคนเข้มแข็งมากนะถึงเช้าขึ้นมาเขาคิดถึงเรื่องของไปยิมไปออกกําลังกายไปไว่ายน้ําไปวิ่งกลางสนามคิดถึงเรื่องนั้นก่อนบางตรงไหนก็ไปวิ่งไปออกกําลังกาย ถ้าเราเห็นสามีภรรยานั่งรถมาด้วยกันเนะ่ะผู้ชายเนี่ยไม่ได้ขับรถอะ่ะผู้หญิงขับหมดขับรถเทเลอร์ขับรถ ER, ซิวโร่เดี๋ยวนี้นะอาชีพเขาขับแท็กซี่อืมก้าวหน้าเพราะงัเดี๋ยวนี้ยมผู้หญิงของเราจะต้องพัฒนาร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งเดี๋ยวนี้ผู้ชายดีๆที่เราต้องการหายากนะเนาะ เพราะนั้นเราพึ่งตัวเองดีกว่าอย่าไปพึ่งผู้ชายเลยนะเพราะฉะนั้นก็เอาแน่นอนไม่ได้เราผู้ชายพวกมางานมันเยอะนะแล้วเขาไม่มีเวลามาดูแลตัวเองเดี๋ยวสุขภาพก็เสื่อมนะร่างกายมีปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นยมผู้หญิงต้องเป็นกําลังหลักของครอบครัวต่อไปกําลังหลักของประเทศชาตินะถ้าหากว่าเราไม่พัฒนาตัวเองอย่างนั้นร่างกายอ่อนแอจิตก็อ่อนแอเมื่อจิตอ่อนแอก็ควบคุมความเป็นไปทุกอย่างได้ยาก ยังคงก็ยังไม่เป็นนี่ว่าใหม่สุดนะใหม่ประเภทสองคือเคยทํามาแล้ววันบ้างสองวันบ้างเคยไปฟังที่ส่วนรถไฟจตุจักรบ้างเคยไปวัดสน้ําในาพัฒป่าสุขตมาบ้างแต่ไปทีละวัน2วันไม่ได้ ไ, ดไปพี่เข้าคอร์สเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อันนี้คือว่าใหม่ประเภทสองประเภทสนี่ไป็นเรียกว่ากลุ่มเก่าประเภทหนึ่งเก่าประเภทหนึ่งไหมายพราะว่าปฏิบัติมาหลายสนามและเข้าลิทชีนมาเยอะและ้วเก็บอารมณ์มาหลายครั้งอันนี้ให้เข้าก่อนเลย ถือว่าเป็นการศึกษาในขั้นละเอียดในขั้นวิจัยแล้วนะย่อมจะต้องมีเวลาเยอะนะแล้วแก้ไขปัญหาเป็นแก้ไขนิวรณ์เป็นได้กลุ่มเก่าประเภทสองคือเคยเข้าคอร์สเข้าปฏิบัติเป็นกลุ่มเป็นค อ, อร์สอย่างนี้แต่ละครั้งแต่ยังไม่เคยเก็บอารมณเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งระดับเป็นสี่กลุ่มแต่เที่ยวนี้แปลกเพราะมีแค่สองกลุ่มกลุ่มเก่ากับกลุ่มใหม่มีช่องว่างเยอะเลยนะ นั้นก็เอาแค่สองกลุ่มมากลุ่มเก่าเข้าก่อนกลุ่มใหม่ก็ใหม่เยอะๆใหม่มากๆเือก็หลายคนนะใหม่ประเภทแรกเท่านั้นก็เลยว่าใครที่มีความพร้อมได้ผ่านมาบ้างหลวงพ่อจะให้เข้าเก็บตัวเพื่อว่าเออคุณดูตลอดกับตัวเองตลอดทั้งวันเนี่ยไหวไหมชั่วโมงที่หนึ่งผ่านไปคุณทําอะไรชั่วโมงที่2ผ่านไปคุณแก้ไขปัญหาอย่างไรชั่วโมงที่สามผ่านไปฝึกแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวเองเนี่ยเป็นไหม ถ้าเริ่มเป็นขึ้นนั่นหมายความว่าสติสัมยาที่เราฝึกที่โลกุตระปรรัญญามันก็จะเริ่มเข้มแข็งขึ้นเมื่อโลกุตรปัญญาเข้มแข็งขึ้นก็จะไปจัดการกับจิตได้เมื่อจัดการกับจิตเป็นก็จัดการกับกายเป็นเมื่อจัดการกับจิตกับกายเป็นทุกข์เป็นไงลดได้ไหมลดได้บาปลดได้ไหมลดได้การเว้นไว่ายได้เกิดที่ยืดยาวลดได้ไหมได้ การเวียนไว่ายได้เกิดพบชาติที่เกิดก่อนเกิดหลังตายพุทธเจ้าไม่เน้นนะเพะมแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ท่านเน้นการเวียนไว่ายได้เกิดในแต่ละเวลานาทีเนี่ยเวีนไว่ายได้เกิดในจิตก็คือคิดแล้วเรื่องเดิมๆคิดหลายครั้งเดี๋ยวเรื่องนั้นไปเดี๋ยวเรื่องนี้ ม, มาเดี๋ยวคิดดีๆก็ช่วยจัดการเวียนไว่ายได้เกิดตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าคุณจัด ก, การเวียนไว่ายได้เกิดตรงนี้ไว้ได้คุณไม่ต้องไปโกลัคุณจะเกิดแล้วไม่เกิดอีกต้องไปแน่นอนนะเพราะอันนี้คือเหตุของมันสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าจัดการเหตุได้ ผลมันก็จัดการได้ถ้าจัดการเหตุไม่ได้คุณจะปฏิเสธผลนนะ่ะไม่ได้ต้องเวียนว่ายใจเกิดนะดังนั้นเองในคําสอนพระพุทธเจ้าท่านไม่สนับสนุนการเวียนว่ายใจเกิดเพราะมันทุกซ้ำซากทุกไม่จบนะตกนรกซ้ำซากขึ้นสวรรค์ซ้ำซากเนี้ยมันไม่จบเป็นน่ะแต่ว่าเราจะทําไงให้มาใช้นรกให้เป็นประโยชน์ใช้นรกเป็นประโยชน์คือใช้ความเจ็บป่วยให้เป็นเครื่องมือในการสแสวงหา จะจะทําเดี๋ยวใช้ในโลกให้เป็นประโยชน์ใช้สวรรค์ให้เป็นประโยชน์ใช้ความสุขสบายให้เป็นประโยชน์ในการภาวนานี่มันเป็นประโยชน์ไงใช้ทุกให้เป็นประโยชน์ใช้สุขให้เป็นประโยชน์ถ้าใช้คําธรรมดานะใช้ความสบายให้เป็นประโยชน์ใช้ความไม่สบายให้เป็นประโยชน์ในการที่จะเปลี่ยนเป็นตัวเหนือความสบายและไม่สบายนี่เรียกว่าหลกภูณรปัญญาเข้าใจได้นะโอเคก็ขอนมุธนาสาธุในความตั้งใจ พวกเราทั้งหลายที่จะศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ดีๆให้รักตัวเองให้มากแล้วเราก็จะพบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองด้วยการเจริญโล้พุธละปัญญาให้เข้าใจแจ่มแจ้งในเียววันนี้ด้วยการทุกคนทุกท่านเถิน